ห้าสิบสี่กัจจายนะวรคหมวดว่าด้วยพระกัจจายนะเป็นต้นหนึ่งมหากัจจายนะเทราประทานประวัติในติตชาติของพระมหากัจจายนะเทระพระมหากัจจายนะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในติชาติของตนจึงกล่าวว่าพระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้หมดตันหาทรงชนะสิ่งที่ใครๆเอาชนะไม่ได้ ทรงเป็นผู้นำสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระองค์เป็นผู้กล้กลาามีพระเนตรเหมือนกลีบบัวมีพระพักปราศจากมนทินดุจ ด, ดวงจันทร์มีพระชวีวันดุจทองคํามีพระรัศมีเสมอด้วยแสงอาทิตย์ดึงดูดดวงตาและดวงใจของสัตว์ไว้ได้ประดับด้วยพระลักษณะอันประเสริฐไม่ยึดถือถ้อยคาทุกชนิด ผู้อันหมู่มนุษย์และเทวดาสักการะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองทรงช่วยเหลือเหล่าสัตว์ให้ตรัสรู้ทรงนําไปได้อย่างรวดเร็วทรงมีพระสุรเสียงไพเราะมีพระอุปนิสัยเนื่องด้วยพระกรุณาทรงแกล้วกล้าในถ้ำกลางบริสัททรงแสดงธรรมอย่างไพเราะซึ่งประกอบด้วยสัจจะสี่ทรงช่วยเหลือหมูสัตว์ที่จมอยู่ในเปือกตมคือโมหะได้ ครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นดาบดทเที่ยวไปแต่ผู้เดียวอาศัยอยู่ที่ภูเขาหิมพานกําลังไปยังมนุษยโลกทางอากาศก็ได้เห็นพระชินเจ้าข้าพเจ้าได้เข้าเฝ้าพระองค์แล้วฟังพระธรรมเทศนาของพระทีระเจ้าผู้ทรงพรนานาคุณอันยิ่งใหญ่ของสาวกอยู่ว่าเราไม่เห็นสาวกอื่นบางรูปในธรรมวินัยนี้เหมือนพระกัจจายนะนี้ ผู้ประกาศธรรมที่เราแสดงไว้โดยย่อให้พิสดารได้ทำชุมชนและเราให้ยินดีเพราะฉะนั้นพระกัจจายนะนี้เป็นผู้เลิศในตำแหน่งที่เลิศนั้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจำไว้อย่างนี้เถิดครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ฟังพระดำรัสที่น่ารื่นรมย์ใจแล้วเกิดความอัศจรรย์ใจจึงไปยังป่าหิมพานนำกลุ่มดอกไม้มา บูชาพระผู้เป็นสจรณะของสัตว์โลกแล้วปรารถนาตำแหน่งนั้นครั้งนั้นพระผู้เป็นที่อยู่แห่งจรณะทรงทราบอธิยาสายของข้าพเจ้าแล้วได้ทรงพยากรณ์ว่าเธอทั้งหลายจงดูฤาษีผู้ประเสริฐนี้ซึ่งเป็นผู้มีผิวพรรณเหมือนทองคำที่ไล่มนทินออกแล้วมีลมชาติชูชันและมีใจเบิกบานยืนประนมมือนิ่งอยู่ ร่าเริงมีเนตาเต็มดีมีอธัธยาศัยน้อมเป็นคุณของพระพุทธเจ้ามีใจเบิกบานซึ่งเกิดแต่ธรรมมีรัศมีเรืองรองเหมือนถูกรดด้วยน้ำอมฤตข้าแต่พระมหามุนีข้าพระองค์ได้ฟังคุณของพระกัจจายนะแล้วจึงได้ยืนปรารถนาตำแหน่งนั้นในอนาคตการของพระโรพธิสัตว์ฤาษีผู้นี้มีนามว่ากัจจายนะตามโคต เป็นธรรมทายาทเป็นโอรสที่ทําเนรมิตรจากเป็นสาวกของพระศาสดาเขาจะเป็นพระหูสูตรมีญาญยิ่งใหญ่รู้อธิบายชัดแจ้งเป็นมุนีจากถึงตําแหน่งนั้นดังที่เราพยากรณ์ไว้ในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ทํากรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปฏิเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าเวียนไหวตายเกิดอยู่ในสองภพคือหนึ่งภพเทวดาสองภพมนุษย์คติอื่นข้าพเจ้าไม่รู้จักเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าข้าพเจ้ารู้เฉพาะสองตระกูลเผอหนึ่งตระกูลกษัตริย์สองตระกูลพราหมณ์จึงเนิ่เกิดในตระกูลที่ต่ำนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าในภพสุดท้ายข้าพเจ้าเกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิต ของพระเจ้าจันทประโชดในกรุงอุเชนีที่รื่นรมเป็นบุตรของพรามณ์ชื่อว่าติปีติวัชชะเป็นผู้ฉลาดเรียนจบพระเวทส่วนมารดาของข้าพเจ้าชื่อว่าจันทนปรทุมาข้าพเจ้าชื่อว่ากัจจายนะเป็นผู้มีผิวพรรณสวยงามข้าพเจ้าถูกพระเจ้าแผ่นดินทรงส่งไปเพื่อพิจารณาสืบล่าวพระพุทธเจ้า ได้เห็นพระผู้นำซึ่งเป็นประตูของโมคคบุรีเป็นที่สังสมพระคุณและได้ฟังพุทธภาษิต ท, ที่ปราศจากมูลทินเป็นเครื่องชำระล้างเปลือกตมคือขติได้บรรลุอมตะธรรมที่สงบประงับพร้อมกับบุรุษที่เหลืออีกเจ็ดคนข้าพเจ้าเป็นผู้รู้อธิบายในอมตะบทที่ยิ่งใหญ่ของพระสุคตและมีมโนรสอันสำเร็จด้วยดี ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งเอตทัพคะกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าข้ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการที่ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลําดับ คำสั่งสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปและอภินญาหกเขาพระเจ้าก็ได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระมหากัจญานะเทระได้ภาสิทธิานเหล่านี้ด้วยประการศนี้ มหากัจจายนะเทราประทานที่หนึ่งจบ 2. วกกลิเทราประทานประวัติเนดิชาติของพระวกกลิเทระพระวกกลิเทระเมื่อจะประกาศประวัติเนดิชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้ทรงเป็นผู้นำมีพระนามไม่ต่ำต้อยมีพระคุณนับไม่ถ้วนพระนามว่าปทุมุตระตามพระโคร สเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปมีพระพักเหมือนดอกประทุมมีพระชวีวันงดงามไม่มีมณฑินเหมือนดอกปทุมไม่เปื้อนด้วยโล ก, กรธรรมเหมือนดอกประทุมไม่เปื้อนด้วยน้ําทรงเป็นนักปราดมีพระเนตรเหมือนกลีบบัวและน่ารักเหมือนดอกประทุมกลิ่นพระโอษฐหอมคล้ายกลิ่นดอกประทุมเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าประทุมมุตระ พระองค์ทรงเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกไม่ทรงถือพระองค์เปรียบเป็นในตาให้คนตาบอดมีพระอริยบทสงบเป็นที่สั่งสมคุณเป็นดุษสาครที่รองรับพระกรุณาคุณและพระปัญญาคุณถึงในครั้งไหนไหนพระมหาวีระพระองค์นั้นก็เป็นผู้ที่พรมอสูนและเทวดาบูชาเป็นผู้สูงสุดในหมู่ชน ในท้ำกลางหมู่ชนที่คลับข้า่งไปด้วยเทวดาและมนุษย์เมื่อจะให้บริสัททั้งปวงยินดีด้วยพระพักมีกลิ่นหอมเบิกบานและด้วยพระสุรเสียงที่ไพเราะเพราะพริง้งจึงได้ชมสาวกของพระองค์ว่าภิกษุอื่นผู้มุ่งมั่นด้วยศรัทธามีปัญญาดีมีความอาลัยในการดูเราเช่นกับวัคคลิภิกษุนี้ไม่มีเลยครั้งนั้น ข้าพเจ้าเป็นบุตรของพราหมณ์ในกรุงหงษ์สวดีได้ฟังพระดำรัตนั้นจึงปรารถนาตำแหน่งนั้นครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ทูลนิมนต์พระธาคตผู้ไม่มีมณฑินพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระสาวกให้เสวยและฉันตลอดเจ็ดวันแล้วให้ครองผ้าชุดใหม่ข้าพเจ้าหมอบลงแล้วจมลงดื่มดำในสาคอนเพอพระอนันตคุณของพระถาคตพระองค์นั้นเต็มเปี่ยนไปด้วยปีติ ได้กราบทูลคํานี้ว่าข้าแต่พระมหามุนีผู้เป็นพระเรจีขอข้าพระองค์จวงเป็นเช่นกับภิกษุผู้เป็นศัทธาที่มุดมุ่ง ม, มั่นด้วยศรัทธาที่พระองค์ทรงตรัชมเชยว่าเลิกกว่าพิสุทั้งหลายผู้มีศรัทธาเมื่อข้าพเจ้ากราบทูลดังนี้แล้วพระมหามุนีผู้มีความเพียรมากมีทัศนะที่หาเครื่องกั้นไม่ได้ ได้ตรัสพระธรรมรัตน์นี้ในชุมนุมชนว่าจงดูมานพนี้ผู้นุ่งผ้าเนื้อเกลี้ยงสีเหลืองมีสังวานทองคำคล้องกายดึงดูดดวงตาและดวงใจของหมู่ชนไว้ได้ในอนาคตการมานพนี้เป็นผู้เลิกกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ศรัทธาที่มุดจะได้เป็นสาวกของพระโคดมผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เขาเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตาม จกเป็นผู้เว้นจากความเดือดร้อนทั้งปวงเป็นที่รวมแห่งโภคะทุกอย่างมีความสุขเวียนไหวตายเกิดไปในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระศาสด า, าพระนามว่าโภดมตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอ ก, กากราชจากอุบัติขึ้นในโลกมานผู้นี้จะมีนามว่าวัคคลิตามโครเป็นธรรมทายาท เป็นโอรสที่ทำเนรมิตรเป็นพระสาวกของพระศาสดาด้วยผลกรรมที่วิเศษนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นเาพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเาพเจ้ามีความสุขในที่ทุกสถานเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ได้เกิดในตระกูลหนึ่งในครูสาวัตถีเาพเจ้าเป็นผู้ละเอียดอ่อนเหมือนเนยน นุ่มนิ่มเหมือนใบไม้อ่อนซึ่งยังนอนงายอยู่มารดาถูกภัยคือปีศาจคุกขามมีใจหวาด ก, กลัวจึงให้นอนลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่กราบทูลว่าข้าแต่พระโลกนาฏผู้ทรงเป็นผู้นำหม่อมฉันขอถวายทารกนี้แด่พระองค์ขอพระองค์จงทรงเป็นที่พึ่งของเผ่าด้วยเถิดครั้งนั้น พระมุนีพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์ผู้หวาดกลัวได้ทรงรับข้าพเจ้าด้วยฝ่าพระหัตถ์ที่บริสุทธิ์อ่อนนุ่มมีตาข่ายกําหนดด้วยจักจําเดิมแต่นั้นมาข้าพเจ้าได้รับการคุ้มครองโดยไม่ต้องเฝ้ารักษาจึงพ้นจากความป่วยไข้ทุกอย่างอยู่อย่างสุขสําราญข้าพเจ้าห่างจากพระสุคตเพียงครู่เดียวก็กรวนกระวายพออายุได้เจ็ดขวบก็บวชเป็นบนรรพชิต ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่อิ่มอยู่เพราะเห็นพระรูปกายที่ประเสริฐซึ่งเกิดจากพระบารมีทุกอย่างมีดวงตาสีดำสนิทมีผิวพรรณสันธานงดงามครั้งนั้นพระชินเจ้าทรงทราบว่าข้าพเจ้ายินดีในพระรูปจึงได้ตรัสสอนข้าพเจ้าว่าอย่าเลยวักลิทำไมเธอจึงยินดีในรูปที่ชนพาลชอบเล่าผู้ใดเห็นพระสัตธรรมผู้นั้นชื่อว่า เป็นบัณฑิตเห็นเราส่วนผู้ไม่เห็นพระสัตยธรรมถึงจะเห็นเราก็ชื่อว่าไม่เห็นร่างกายมีโทษไม่สิ้นสุดเหมือนต้นไม้มีพิษเป็นที่อาศัยของโรคทุกชนิดล้วนเป็นที่ประชุมของทุกขเพราะฉะนั้นเธอจงเบื่อหน่ายในรูปพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งขันทั้งหลายจะถึงที่สุดแห่งสปักกิเลสได้โดยง่ายเถิด ข้าพเจ้าถูกพระผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกผู้สแสวงหาประโยชน์พระองค์นั้นทรงพร่ำสอนอย่างนี้ได้ขึ้นไปยังภูเขาที่จะปูดเพ่งดูอยู่ที่ซอกภูเขาพระชินเจ้าผู้มหามุนีประทับยืนอยู่ที่เชิงเขาเมื่อจะทรงปลอบโยนข้าพเจ้าได้ตรัสเรียกว่าวักกลิข้าพเจ้าได้ฟังพระดารัสนั้นจึงเบิกบานใจครั้งนั้น ข้าพเจ้าวิ่งลงไปที่เงื้อเขาลึกหลายร้อยชั่วบุรุษแต่ก็ถึงแผ่นดินได้โดยสะดวกทีเดียวด้วยพุทธานุภาพพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมเทศนาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งขันทั้งหลายอีกข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมนั้นแล้วจึงได้บรรลุอรหัตผลครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระปรีชามากทรงบรรลุจรณธรรม ทรงประกาศเข้าพระเจ้าว่าเป็นเลิกกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายศรัทธาที่มุดในถ้ำกลางบุรุษผู้ควรบูชาอย่างยิ่งในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปเข้าพเจ้าได้ทากรรมไวในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลอย่างการบูชาพระพุทธเจ้ากิเลสทั้งหลายเข้าพระเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว ข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสะวะดูดพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการทูลข้าพเจ้ามาในสํานักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลําดับคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้ากปฏิธรรมสำเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้เพื่อปฏิสัมพิทาสี่วิโมกขแปและอภิน ญ, ญาหก ข้าพเจ้าก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระวกคค리เทระได้พาสุกาถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้วักลิเทราประธานที่สองจบสมหากัปปินทะเทราประทานทประวัติในดิตชาติของพระมหากัปปินทะเทระ พระมหากปินะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าพระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงทรงปรากฏแล้วในอากาศทั้งสิ้นเหมือนดวงอาทิตย์ปรากฏในท้องฟ้าในศาสต ร, รการทรงทำดอกบัวคือเวเนยศัสตร์ให้เบ่งบานด้วยพระระัศมีคือพระดารัตพระผู้ทรงเป็นผู้นาสัตว์โลกพระองค์นั้น ทรงทําเปือกตมเคอกิเลตให้แห้งไปด้วยพระรัศมีคือปัญญาพระผู้ทรงวชิระญาณก็จัดยศของพวกเดรธีเหมือนดวงอาทิตย์พระธิวากรพุทธเจ้าทรงส่องแสงสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนในที่ทุกแห่งพระพุทธองค์เป็นบ่อกเกิดแห่งคุณเหมือนทะเลเป็นบ่อกเกิดอแทงรัตนะทรงทําเมฆฝนเคอร์ธรรมให้ตกลงเพื่อหมู่สัตว์ เหมือนเมฆทำฝนให้ตกครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นผู้พิพกากษาอยู่ในกรุงหงสาวดีได้เข้าไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมตระซึ่งกำลังประกาศคุณของสาวกผู้มีสติผู้กล่าวสอนภิกษุทั้งหลายอยู่ทรงทำใจของข้าพเจ้าให้ยินดีข้าพเจ้าได้ฟังแล้วเกิดปิติสมนัทูลนิมนต์พระตถาคตพร้อมด้วยสาวกให้เสวยและฉันแล้วปราถนาตำแหน่งนั้น ครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีส่วนเปรียบด้วยหงมีพระสุรเสียงเหมือนเสียงหงและเสียงมโหระทึกได้ตรัสว่าจงดูมหาอมารผู้นี้ผู้องคอาจในการตัดสินซึ่งมอบอยู่แทบเท้าของเรามีลมชาติชูชันและมีใจฝูขึ้นมีวั น, นะเหมือนแก้มุกดาที่งดงามมีในตาและใบหน้าที่ผ่องใสมีบริวารเป็นอันมาก ทำราชการมียศใหญ่มหาอมาตย์นี้ปรารถนาตำแหน่งภิกษุผู้กล่าวสอนเพราะร่วมยินดีด้วยด้วยบินตาบาทด้วยการบริจาคและด้วยการตั้งความปรารถนาไว้นี้เขาจะไม่เกิดอย่างทุกขติเลยตลอดหนึ่งแสนกับจากสวยความเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นเทวดาในหมู่เทพและความเป็นใหญ่ในหมู่มนุษย์จากบรรลุพระนิพพานด้วยผลกรรมที่เหลือ ใน ก, กัปที่หนึ่งแสนนับจากกัปนี้ไปพระศ า, าสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดส่งสมภพในราชสกุลโอกากาการาชจากอุบัติขึ้นในโลกมหาอมาตนี้จะมีนามว่ากัปปินะเป็นธรรมทายาตเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรเป็นสาวกของพระศาสดาจากนั้นข้าพเจ้าได้ทำสักการะที่กระทำไว้ดีแล้วในศาสนาของพระชินเจ้า และกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเขาพเจ้าครองราชสมบัติในเทวโลกและมนุษย์โลกโดยธรรมแล้วเกิดในตระกูลช่างหูในหมู่บ้านในกรุงพาราณสีเขาพเจ้ากับพัญญามีบริวารหนึ่งแสนคนได้อุปถาพระพระปเจกพระพุทธเจ้าห้าร้อยองค์นิมนต์ให้ฉันตลอดไตรมาสและให้ครองไตรคีวรเขาพเจ้าทั้งหมดจติจากอัตภาพนั้นแล้ว จึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเดวดึงเาพเจ้าทั้งหลายจุติจากสวรรค์นั้นแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกในกุกุตตะบุรีข้างภูเขาหิมะพานเาพเจ้าได้เป็นโอรสผู้มียศใหญ่นามว่ากัปปินะพวกที่เหลือเกิดในตระกูลอมาตแวดล้อมเาพเจ้าเาพเจ้ามีความสุขในราชสมบัติเป็นอันมากสำเร็จสิ่งที่ต้องประสงค์ทุกประการ ได้ฟังข่าวการอุบัติของพระพุทธเจ้าที่พวกพ่อค้าบอกดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นเ อ, อกอัครบุคคลไม่มีใครเหมือนเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระองค์ทรงประกาศพระสัทธรรมซึ่งเป็นอมตะเป็นสุขอย่างประเสริฐและสาวกของพระองค์ขวนขวายดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วไม่มีอาสวะครั้นข้าพเจ้าได้ฟังคำของพ่อค้าเหล่านั้นแล้วได้ทำจักระพวกพ่อค้า สละราชสมบัติพร้อมด้วยอามาตได้เป็นพุทธมามะกะพากันออกเดินทางได้เห็นแม่น้ำมหาจันทามีน้ำเต็มเสมอขอบฝั่งทั้งไม่มีท่าน้ำไม่มีแพรข้ามได้ยากและยังมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวข้าพเจ้าข้ามแม่น้ำไปได้ด้วยความสวัสดีเพราะระลึกถึงพระพุทธคุณว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงข้ามกระแสน้ำคือพบทรงถึงที่สุดแห่งโลก ทรงรู้แจ้งใจด้วยสัจจวาจานี้ขอการไปของข้าพเจ้าจงสําเร็จถ้ามรรคเป็นเครื่องให้สัตว์ถึงความสงบได้เป็นเครื่องให้โมฆธรรมอันเป็นสันติสุขได้ด้วยสัจจวาจานี้ขอการไปของข้าพเจ้าจงสําเร็จถ้าพระสงฆ์เป็นผู้ข้ามพ้นความกันดานไปได้เป็นเนื้อนาบุญอย่างยอดเยี่ยมด้วยสัจจวาจานี้ พอการไปของข้าพเจ้าจงสําเร็จพร้อมกับที่ข้าพเจ้าทําสัจจะอย่างประเสริฐนี้น้ําได้ไหลหลีกออกไปจากขนทางลําดับนั้นข้าพเจ้าได้ข้ามขึ้นฝั่งแม่น้ําที่น่ารื่นรมย์ใจได้โดยสะดวกข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่เปล่งรัศมีดุดดวงอาทิตย์อุทยัยรุ่งเรืองดุดภูเขาทองโชคช่วงดุดต้นพฤกษาประทีพผู้อันสาวะข้อมล้อม เปรียบดังดวงจันทร์ที่ล้อมรอบด้วยดาวนักกรัตรทำเทวดาและมนุษย์ให้เพลิดเพลินประหนึ่งท้าวาสวะทำฝนคือรัตนะให้ตกข้าพเจ้าพร้อมด้วยอามาถวายบังคมข้าวเฝ้าณที่สมควรลำดับนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบอธิยศัยแล้วจึงได้ทรงแสดงธรรมข้าพเจ้าทั้งหลายได้ฟังธรรมที่ปราศจากมลทินแล้วได้ทูลขอพระชินเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากพอได้โปรโดเรื่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้บรรพชาเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายข้ามพบได้แล้วพระมุนีผู้ประเรสริฐสุตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำอันเรากล่าวไว้ดีแล้วเธอทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกเถิดพร้อมกับพุทธธรรรัตนี้เขาพระเจ้าทุกคนล้วนทรงเพศเป็นภิกษุได้อุปสมบทเป็นพระโสดาบันในศาสนา จากนั้นพระผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษได้เสด็จไปยังพระเชตวันแล้วทรงพร่ำสอนข้าไเจ้าผู้อันพระชินเจ้าทรงพร่ำสอนแล้วก็ได้บรรลุพระอรหัสตลำดับนั้นเข้าไเจ้าได้สั่งสอนภิกษุพันรูปแม้ภิกษุเหล่านั้นก็ปฏิบัติตามคำสอนของข้าไเจ้าเป็นผู้ไม่มีอาสวะพระชินเจ้าทรงพอพระทัยในคุณข้อนั้น จึงทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ในตำแหน่งเอกตตะคะในถ้ำกลางมหาชนว่าภิกษุชื่อกลปินะเลิกกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ให้โอว่าแก่พิกษุกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้เนี่ยกลับที่หนึ่งแสนได้แสดงผลแก่ข้าพเจ้าแล้วในอัตภาพนี้ข้าพเจ้าหลุดพ้นดีแล้วจากกิเลสดุดความเร็วแห่งลูกศรที่พ้นไปจากแรงข้าพเจ้าเผากิเลสทั้งหลายได้แล้ว กิเลสทั้งหลายเข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วเข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดูดพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการที่เข้าพระเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามเข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าพรเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าท่านพระมหากปินะเถระได้พาเสกคถ า, าเหล่านี้ด้วยประกาศนี้มหากปินทะเถราประธานที่สามจบสี่ ทัพพระมันละบุตรตเทระประธานประวัติในดิตชาติของพระทัพพระมันละบุตรตเทระพระทัพพระมันละบุตรเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระชินเจา้าพระนามว่าปทุมตระทรงรู้แจ้งโลกทั้งปวงเป็นพระมุนีทรงมีพระจักสุสเสดอุบัติขึ้นแล้วเนียกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไป พระองค์เป็นผู้ตรัสสอนทรงแสดงทําให้สัตว์รู้ชัดได้ทรงช่วยสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นทรงฉลาดในเทศนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงช่วยหมูชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมากพระองค์เป็นผู้อนุเคราะห์ประกอบด้วยพระกรุณาทรงสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสรรพสัตว์ทรงทําเดรัจฉีที่มาเฝ้าทั้งหมดให้ดารงอยู่ในศีลห้าเมื่อเป็นเช่นนี้ ศาสนาจะหมดความอาภูลว่างจากผู้เดรถีและงดงามด้วยพระอาหารหันต์ทั้งหลายผู้ได้วสีผู้คงที่พระมหามุนีพระองค์นั้นทรงมีพระวรกายสูงห้าสิบแดศอกมีพระชวีวันคล้ายทองคําที่ล้ําค่ามีพระลักษณะอันประเสริฐสาสองประการครั้งนั้นสัตว์ทั้งหลายมีอายุประมาณหนึ่งแนปีพระชินสีพระองค์นั้น ก็ดำรงพระชนมายุอยู่ประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจํานวนมากครั้งนั้นเขาพเจ้าเป็นบุตรเศรษฐีผู้มียศใหญ่ในกรุงหงสาวดีเดชเข้าเฝ้าพระองค์ผู้ทรงโลกให้สว่างสวยัยแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนาเขาพเจ้าได้ฟังพระตํารัสของพระองค์ซึ่งตรัสยกย่องภิกษุพร้อมด้วยสาวกผู้จัดแจงเสนาสนะให้พิกษุทั้งหลายค้อพรอยยินดี จึงทำสักการะอย่างยิ่งใหญ่แด่พระองค์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมทั้งพระสงฆ์หมอบลงแท่พระบาทด้วยเสียงกล่าวแล้วปรารถนาตำแหน่งนั้นความจริงในครั้งนั้นพระมหาวีระพระองค์นั้นได้ทรงพยากรณ์กรกรม ข, ของข้าพเจ้าไว้ว่าบุตรเศรษฐีนี้ได้นิมนต์พระผู้เป็นผู้นำสัตว์โลกพร้อมด้วยพระสงฆ์ให้เสวยและฉันตลอดเจ็ดวัน เขาจากมีดวงตาเหมือนกลีบบัวมีช่วงไหลเหมือนราชสีมีผิวพันธุ์ดุจทองคำหมอบอยู่แทบเท้าของเราปรารถนาตำแหน่งอันสูงสุดเนกกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระาศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโครสงสมภพในราชสกุลโอกากาการาชจากอุบัติขึ้นในโลกบุเษธีนี้จะได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ปรากฏโดยชื่อว่าทัพพระเป็นภิกษุผู้เลิศฝ่ายภิกษุผู้จัดแจงเสนาสนะตามปรารถนาด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงครองเทวสมบัติตลอดสามร้อยชาติได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิห้าร้อยชาติและได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพ่บูรนับชาติไม่ท้วน เพราะอนุภาพแห่งกรรมนั้นเขาพระเจ้าจะมีความสุขในทุกภพในกลับที่เกาบอดนับจากกลับนี้ไปพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีผู้ทรงเป็นผู้นำผู้มีพระเนรงามทรงเห็นแจ้งธรรมทั้งปวงเสด็จอุบัติขึ้นแล้วเขาพระเจ้ามีจิตขัดเคืองได้กล่าวตู่สาวกของพระพุทธเจ้าผู้คงที่พระองค์นั้นผู้สิ้นอาสวะทั้งปวงแล้วทั้งที่รู้อยู่ว่าท่านเป็นผู้บริสุทธ อันหนึ่งเขาพระเจ้าจับสลากแล้วถวายเข้าสุขที่หุงด้วยน้ำนมแด่พระสาวกทั้งหลายผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าผู้แกล้วแ ก, กล้ากว่านรชนพระองค์นั้นแหละในพัทระกับนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพราหมณ์ผู้มีประยชน์ยิ่งใหญ่พระนามว่ากัสปะตามพระโคด ท, ทรงประเสริฐกว่าเจ้าละทิทั้งหลายสเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว พระองค์พร้อมด้วยสาวกประกาศศาสนาให้รุ่งเรืองข่มเดรถีผู้หลอกลวงได้แล้วทรงแนะนำเหล่าเวเนยศัตว์ปรินิพานแล้วเมื่อพระโลก น, นาพร้อมด้วยสาวกปรินิพานแล้วเมื่อศาสนากำลังจะสิ้นไปเทพและมนุษย์พากันสลดใจสยายผมมีน้ำตานองหน้าคร่ำครวญว่าดวงตาเคอพระธรรมจักดับ เราทั้งหลายจะไม่ได้เห็นท่านผู้มีวัดดีงามจากไม่ได้ฟังพระสัจ ธ, ธรรมน่าสังเวชใจเราทั้งหลายช่างมีบุญ น, น้อยครั้งนั้นพื้นปฐพีทั้งหมดนี้ทั้งใหญ่ทั้งหนาได้ไหวสาครดังจะมีความเศร้าโศกส่งเสียงดังตึกกล้องอย่างน่าสงสารเราอามนุษย์ตีกรองอยู่ทั่วทั้งสี่ทิศอสศนีบา ท, ที่น่าสะพรงกลัวก็ฟาดลงอยู่โดยรอบ อุกาบาตตกจากท้องฟ้าปรากฏเป็นลำเพลิงมีควันและเปลวเพลิงพวยพุ่งหมู่สัตว์ ร, ร้องครวญครางอย่างน่าสงสารครั้งนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นภิกษุรวมเจ็ดรูปด้วยกันได้เห็นความอุบา ท, ที่ร้ายแรงแสดงเหตุถึงความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งศาสนาจึงเกิดความสังเวชใจคิดกันว่าเราทั้งหลายเว้นศาสนาไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ จึงเข้าไปยังป่าใหญ่แล้วบำเพ็ญเพียรตามคำสอนของพระชินสีเถิดครั้งนั้นข้าพเจ้าได้พบภูเขาหินสูงในป่าจึงไต่บันไดขึ้นไปยังภูเขาลูกนั้นแล้วผลักบันไดให้ตกลงครั้งนั้นพระเถระได้ตักเตือนพวกข้าพเจ้าว่าการอุบัติเคลื่อนแห่งพระพุทธเจ้าหาได้แสนยากอีกประการหนึ่งศรัทธาที่ได้ไว้ก็หายาก และศาสนายังเหลืออีกเล็กน้อยผู้ที่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปจะต้องตกลงไปในสาคอนคือความทุกข์ซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายควรกระทำความเพียรตลอดเวลาที่ศาสนายังดำรงอยู่เถิดครั้งนั้นพระเถระนั้นเป็นพระอรหันต์องค์รองได้เป็นพระอนาคามีพวกข้าพเจ้าที่เหลือจากนั้นเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ ประกอบความเพียรจึงได้ไปเกิดยังเทวโลกพระเทระองค์ที่ข้ามสงสารไปได้ปรินิพานในพรหมโลกชั้นสุดทาว่าเพียงองค์เดียวเาพเจ้าทั้งหลายคือหนึ่งตัวเาพเจ้า 2. พระปุกกุสาติสพระสพิยะ 4. พระพาหิยะหพระปุมารกัสปะเกิดในที่นั้นนั้นอันพระโคดมทรงอนุเคราะห์ จึงหลุดพ้นจากเครื่องจองจําคือสงสารได้เขาพระเจ้าเกิดในตร ะ, ะกูลมรลคกษัตริย์ในกรุงกุสินาราเมื่อยังอยู่ในคันนั่นแหละมานดาได้สิ้นพระชนเขาช่วยกันยกขึ้นสู่จิกกาธานเขาพระเจ้าได้ตกลงมาจากจิ ก, กาธานนั้นตกลงไปในกองไม้จากนั้นจึงปรากฏนามว่าทัพพระด้วยผลแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ ข้าพเจ้ามีอายุได้เจ็ดขวบก็หลุดพ้นจากกิเลสด้วยผลที่ข้าพเจ้าถวายเข้าสุขที่หุงด้วยน้ำนมข้าพเจ้าจึงประกอบด้วยองค์ห้าเพราะบาปที่ข้าพเจ้ากล่าวตัวพระขีนาสพจึงถูกคนชั่วจำนวนมากโจ์กล่าวหาบัดนี้ข้าพเจ้าร่วมบุญและบาปทั้งสองแล้วได้บรรลุสันติสุขอย่างยิ่งอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ ข้าพเจ้าจัดแจงเสนาสนะให้ท่านผู้มีวัดดีงามทั้งหลายยินดีพระชินเจ้าทรงพอพระทัยในขุนข้อนั้นจึงทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ในตำแหน่งเอตตะะกะกิเลทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุดพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ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 ท่านพระทัพพระมละบุรเทระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ทัพพระมละบตะเทราประธานที่สี่จบห้กุมารกัสปะเทราประธานประวัติในดิชาตาของพระกุมารกัสปะเทระพระกุมารกัสปะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิชาตาของตนจึงกล่าวว่า พระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าปทุมุตระทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์เป็นนักปราดเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นพรามมีชื่อเสียงเลื่องลือเรียนจบตรเพศเที่ยวพักสาราญในเวลากลางวันได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกกาลังทรงประกาศสัจจะสี ช่วยมนุษย์พร้อมด้วยเทวดาให้ตรัสรู้กำลังสรรเสริญสาวกของพระองค์ผู้กล่าวธรรมเกตาอย่างวิจิตยอยู่ในหมู่มหาชนครั้งนั้นข้าพเจ้าเบิกบานใจจึงทูล น, นิ ม, มนต์พระตถาคตแล้วประดับมนดบด้วยผ้าที่ย้อมด้วยสีต่างๆให้โชติช่วงด้วยรัตนะต่างๆทูล น, นิ ม, มนต์พระตถาคตพร้อมทั้งพระสงฆ์ให้สวยและฉันโภชนะ มีรถเลิศต่างๆตลอดเจ็ดวันในมณฑปนั้นได้บูชาพระตถาคตพร้อมทั้งสาวกด้วยดอกไม้อันสวยงามนานาชนิดและหมอบลงแท่พระบาทปราถนาตำแหน่งนั้นครั้งนั้นพระมุนีผู้ประเสริฐทรงมีพระกรุณาได้ตรัสว่าจงดูพราหมณ์ผู้ประเสริฐนี้ผู้มีปากและดวงตาเหมือนดอกปฐุมผู้มากด้วยความปรีดาปราโมท มีโลมชาติชูชันและมีใจฟูขึ้นมีเนตากล่มโตนำความร่าเริงมามีความอาลัยในศาสนาของเราผู้มีใจดีมีผพพ้าผืนเดียวมอบอยู่แทบเท้าของเราเขาปรารถนาตำแหน่งคือการกล่าวธรรมได้อย่างวิจิตรนั้นเลขกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโครทรงสมภพในราชสกุลโอกากาการา จากอุบัติขึ้นในโลกผู้นี้จะมีนามว่าปูมารักษะปะเป็นธรรมทายาิเป็นโอรสที่ทำเนรมิตจากเป็นสาวกของพระาศาสดาพระองค์นั้นเพราะอนุภาพแห่งดอกไม้และผ้าอันวิจิตและรัตนะทั้งหลายเขาจากถึงความเป็นผู้เลิกกว่าภิกษุทั้งหลายผู้กล่าวทำได้อย่างวิจิตด้วยรำเทศครัพระเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่น ข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเดวดึงข้าพเจ้าเวียนไหวตายเกิดอยู่ในพบน้อยพบใหญ่เหมือนตัวละครเต้นรำหมุนเวียนอยู่กลางเวทีข้าพเจ้าเป็นลูกของเนื้อชื่อสาขะได้ถือปฏิสนธิในคันของแม่เนื้อครั้งนั้นเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่ในคันถึงวาระที่จะต้องถูกฆ่ามารดาของข้าพเจ้าถูกเนื้อชื่อสาขะทอดทิ้ง จึงยึดเนื้อชื่อนิโครสเป็นที่พึ่งมารดาของข้าพเจ้าได้พยาาเนื้อชื่อนิโครสนั้นสละชีวิตของตนช่วยพ้นจากความตายแล้วตักเตือนข้าพเจ้าผู้เป็นลูกของตนในครั้งนั้นอย่างนี้ว่าควรครบแต่เนื้อชื่อนิโครสเท่านั้นไม่ควรเข้าไปคบหาเนื้อชื่อสาขาการตายในสำนักของเนื้อชื่อนิโครสยังประเสริฐกว่า การมีชีวิตอยู่ในสานักของเนื้อชื่อสาขาจะประเสริฐอย่างไรเข้าพระเจ้ามารดาของเข้าพเจ้าและพวกเนื้อนอกนี้ได้เนื้อชื่อนิโครถผู้เป็นนายฝูงนั้นพร่ำสอนอาศัยโอวาทของเนื้อชื่อนิโครถนั้นจึงได้ไปยังที่อยู่อาศัยคือสวรรค์ชั้นดุสิตที่รื่นรมระหนึ่งว่าได้ไปยังเรือนของตนที่ทิ้งจากไป เมื่อศาสนาของพระกัสสปะทีระเจ้ากําลังถึงความสิ้นไปเขาพเจ้าได้ขึ้นไปยังภูเขาบําเพ็ญเพียรตามคําสอนของพระชินเจ้าก็บัดนี้เกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงราชครื้มารดาของเขาพเจ้ามีคันออกบวชเป็นบรรณชิตภิษุนีทั้งหลายรู้ว่ามารดาของเขาพเจ้ามีคันจึงนําไปหาพระเทวทัตพระเทวทัตนั้นกล่าวว่า จงนาสนาภิกษุนีชั่วรูปนี้เสียแม้ในบัดนี้มารดาผู้กำเนิดของข้าพเจ้าอันพระชินเจ้าผู้เป็นจอมมุนีทรงอนุเคราะห์ไว้จึงได้มีความสุขอยู่ในสำนักของภิกษุนีพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าโกศลได้ทรงทราบเรื่องนั้นแล้วจึงทรงชุบเลี้ยงข้าพเจ้าไว้ด้วยเครื่องบริหารพระกุมารและตัวข้าพเจ้าก็มีชื่อว่ากัสปะ เพราะอาศัยท่านพระมหากัะสปะเทระเขาพเจ้าจึงมีชื่อว่าปุมารากัะสปะเพราะได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ากายเช่นกับจอมปลวกจากนั้นจิตของเขาพเจ้าก็หลุดพ้นไม่ถือมั่นโดยประการทั้งปวงเขาพเจ้าได้รับตําแหน่งเอตทัคคะก็เพราะทรมานพระเจ้าปายาสิกิเลตทั้งหลายเขาพเจ้าก็เผาได้แล้ว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 คุณวิเศษเหล่านี้เพอปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอาทิยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสาเร็จแล้วดังนี้แล่ได้ทราบว่าท่านพระกุมารกัสปะเถระได้พาสุคถาเหล่านี้ด้วยประการะชนี้กุมารกัสปะเถราประทานที่หจบภาณวาระที่ยี่สิสี่ 6. ภพาหิยะเทราประทานประวัติในดิตชาตของพระพาหิยะเทระพระพาหิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกมีพระรัศมีมากเป็นผู้เลิศในโลกทั้งสามสเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ข้าแต่พระมุนีเมื่อพระผู้มีพระภาคตระชันเสริญควรของภิกษุผู้ตรัสรู้ได้เร็วพลันข้าพระองค์ได้ฟังแล้วมีจิตเบิกบานจึงได้ทำสักการะพระผู้มีพระภาคผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าแต่พระมุนีข้าพระองค์ถวายทานตลอดเจดวันแต่พระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระสาวกถวายอภิวาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ปราธนาตํตำแหน่งนั้นในการนั้นลำดับนั้นพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ข้าพเจ้าว่าจงดูพรามที่หมอบอยู่แทบเท้าของเรานี้ผู้มีโสมนัสเอิบอิ่มสมบูรณ์เห็นประจักษ์มีร่างกายที่บุญกรรมสร้างสรรค์ให้คล้ายทองคำผุดพองผิวบางริมฝีปากแดงเหมือนผลตําลึงสุขมีฟันขาวคมเรียบเสมอมีกาลังเคอคุณมาก มีลมชาชูชันและมีใจฟูขึ้นเป็นบ่อกเกิดแห่งกระแสน้ำคือคุณมีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยปีติเขาปรารถนาตำแหน่งของภิสุผู้ตรัสรู้เร็วพลันในอนาคตจะมีพระมหาวีระพระนามว่าโคดมเขาจะมีนามว่าพาหิยะเป็นธรรมทายาตเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรจะเป็นสาวกของพระาศาสดาพระองค์นั้น ครั้งนั้นข้าพเจ้ายินดีแล้วมันกระทำสักการะแด่พระมหาหมุนีจนตลอดชีวิตจุติแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ดูดไปยังที่อยู่ของตนข้าพเจ้าจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามย่อมเป็นผู้มีความสุขเพราะอนุภาพแห่งกรรมนั้นข้าพเจ้าเวียนไหวตายเกิดจึงได้สวยสมบัติเมื่อสิ้นศาสนาของพระกัสสะทีระเจ้าข้าพเจ้าได้ขึ้นไปยังภูเขาศิลาล้วน บำเพ็ญเพียรตามคำสอนของพระชินสีเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มีปัญญาทำตามคำสอนของพระชินสีเขาพระเจ้าห้าคนด้วยกันจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้เบิเกิดยังเทวโลกเขาพระเจ้าชื่อพาหิยะเกิดในพารุกัตฉานครซึ่งเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ภายหลังได้แล่นเรือไปในสาคอนซึ่งให้สาเร็จประโยชน์เพียงเล็กน้อย แต่นั้นเรือแล่นไปได้สองถึงสาวันก็ อ, อับปางลงครั้งนั้นข้าพเจ้าตกลงไปในสาครซึ่งเป็นที่อยู่แห่งมังกรที่ร้ายกาดน่าจะเพึงกลัวครั้งนั้นข้าพเจ้าพยายามว่ายน้ําข้ามทะเลใหญ่ไปถึงท่าประเสริฐชื่อสุปรากระข้าพเจ้ามีคนรู้จักน้อยนุ่งผ้าเปลือกไม้เข้าไปยังบ้านเพื่อค้อนข้าวครั้งนั้น มูชนพากันยินดีกล่าวว่าผู้นี้เป็นพระอรหันต์มาที่นี่แล้วพวกเราสักการะพระอรหันต์นี้ด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนและเพศสัตว์แล้วจากถึงความสุขครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ปัจจัยเป็นผู้ที่พวกเขาสักการะบูชาแล้วจึงเกิดความดาริโดยไม่แยบคายขึ้นว่าเราเป็นพระอรหันต์ลาดับนั้น บุพเทวดารู้วรารจิตของข้าพเจ้าจึงตักเตือนว่าท่านไม่รู้ทางที่เป็นอุบายจะเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรเล่าครั้งนั้นข้าพเจ้าถูกเทวดาตักเตือนแล้วก็เกิดความสลดใจจึงสอบถามเทวดานั้นว่าพระอรหันต์ผู้ประเสริฐกว่านรชนในโลกเหล่านี้คือใครอยู่ที่ไหนเทวดานั้นตอบว่าพระชินเจ้าผู้มีพระปัญญามากผู้ประเสริฐ มีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินพระองค์เป็นโอรสของเจ้าสกยะเป็นพระอรหันต์ไม่มีอาสวะทรงแสดงธรรมเพื่อบรรลุอรหัตอยู่ในพระราชมเทียนของพระเจ้าโกศลในกรุงสาวัตถีเขาพระเจ้าได้ฟังคำของเทวดานั้นแล้วเ อ, อิบอิ่มใจเหมือนคนกำพร้าได้ขุมทรัพย์ยิ้มแยม้มเบิก บ, บานใจที่จะได้พบพระอรหันต์ผู้ประเสริฐน่าชมน่าพึงใจ ผู้มีพระยานเป็นโคโจรไม่มีที่สิ้นสุดครั้งนั้นข้าพเจ้าออกจากที่นั้นไปด้วยตั้งใจว่าเราเมื่อชนะกิเลสได้ก็จะได้เห็นพระพักที่ปราศจากมลทินของพระาศาสดาในการทุกเมื่อไปถึงแควที่รื่นรมนั้นแล้วได้ถามพวกพราหมณ์ว่าพระาศาสดาผู้ทําชาวโลกให้เพลิดเพลินประทับอยู่ณที่ไหนครั้งนั้นพราหมณ์ทั้งหลายตอบว่า พระศาสดาผู้ที่มนุษย์และเทวดากราบไหวเสด็จเข้าไปบินทบาทยังเมืองท่านผู้ขวนขวายจะเข้าเฝ้าพระมุนีจงรีบกลับไปเฝ้ากราบไหวพระองค์ผู้เป็นบุคคลผู้เลิศลำดับนั้นข้าพเจ้าได้ไปยังกรุงสาวัตถีที่อุดมสมบูรณ์โดยด่วนได้เห็นพระองค์ผู้ไม่มากมากและไม่ติดในรถอาหารกำลังเสด็จบินบาททรงบาทและมีพระเนศสารวม ทรงยังอมตะธรรมให้ช่อช่วงอยู่ในนครนี้ประหนึ่งเป็นที่อยู่ของพระสิริมีพระพักชว่วด่วงดังรัสมีดวงอาทิตย์ครั้นพบพระองค์เาพเจ้าจึงได้หมอบลงแล้วกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมขอพระองค์โปรดเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์ผู้วิบัติในทางที่น่ารังเกียดด้วยเถิดพระมุนีผู้ประเสริฐได้ตรัสว่าเรากาลังเที่ยวบินบัต เพื่อประโยชน์แต่การช่วยสัตว์ให้ข้ามพ้นเวลานี้ไม่ใช่เวลาแสดงธรรมแก่ท่านครั้งนั้นข้าพเจ้ามีความปรารถนาแรงกล้าในธรรมจึงได้ทูลอ้อนวอนพระพุทธเจ้าบ่อยๆพระองค์แสดงธรรมอันเป็นสุญญาตาบทที่ลึกซึ้งแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วก็บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะโอ้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ประาศาสดาทรงอนุเคราะห์แล้ว เป็นผู้มีอายุสิ้นแล้วกิเลสทั้งหลายเข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วเข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการที่เข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามเข้าพระเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลาดับ คำสั่งสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้เคอปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินยาหกเขาพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลพระพาหิยะทารุจิริยะเถระถูกแม่โคตัวที่ถูกผีสิงไม่เห็นตัวขวิดให้ล้มลงที่กองขยะ ได้กล่าวพยากรณ์ด้วยประการดังนี้พระเทระผู้มีปัญญามากเป็นนักปราดครั้นกล่าวบุพจริกของตนแล้วปรินิพพานในกรุงสาวัตถีที่อุดมสมบูรณ์พระเรศีผู้ประเสริฐเสด็จออกจากนครพ่อพระเนรเห็นพระพายะทารุจริยะผู้นุ่งผ้าเปลือกไม้เป็นนักปราดซึ่งมีความเร่าร้อนอันลอยได้แล้วลม้มลงที่ภูมิภาค ดุจคันเสาทงใหญ่อันลมพัดให้ล้มลงหมดอายุดิเลเถื่อแท้งทากิจในศาสนาของพระชินเจ้าลำดับนั้นพระศาสดาตรัสเรียกสาวกทั้งหลายผู้ยินดีในศาสนามาสั่งว่าเธอทั้งหลายจงช่วยคันยกร่างของเพื่อนพรหมจารีแล้วนำไปเผาเสเถิดจงสร้างสถูปบูชาเขาเป็นคนมีปรีชามากนิพพานแล้ว สาวกผู้ตาตามคำของเราเป็นผู้เลิกกว่าพิกษุทั้งหลายฝ่ายที่ตรัสรู้ได้เร็วพลันคาถาที่มีประโยชน์คาถาเดียวที่คนฟังแล้วสงบระ ง, งับได้ย่อมดีวกว่าคาถาที่ไรประโยชน์ตั้งพันคาถาดินน้ำลมไฟไม่ตั้งอยู่ในนิพพานใดในพระนิพพานนั้นดาวฤกษ์ที่สุกสกาวก็ส่องแสงไปไม่ถึงดวงอาทิตย์ก็ส่องแสงไปไม่ถึง ดวงจันทร์โคสองแสงไปไม่ถึงความมืดก็ไม่มีอันหนึ่งเมื่อใดพระผู้ได้ชื่อว่าเป็นมุนีเพราะเป็นผู้สงบรู้จริงด้วยตนเองแล้วเมื่อนั้นเขาย่อมพ้นจากรูปภพอรูปภพสุขและทุกข์พระโลกนาถผู้เป็นมุนีเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสามได้ตรัสไว้อย่างนี้ด้วยประการฉนีได้ทราบว่า ท่านพระพัยะเถระได้พานสุขคถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้พายะเถราประธานที่หจบ7มหาโกติกะเถราประธานประวัติในดิตชาตของพระมหาโกติกะเถระพระมหโกติกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าพระทินเจา้าพระนามว่าปทุมุตระทรงรู้แจ้งโลกทั้งปวง เป็นพระมูนีมีพระจักสุเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระองค์เป็นผู้ตรัสสอนทรงแสดงทำให้สัต ร, รู้ชัดได้ทรงช่วยสปปรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นทรงฉลาดในเทศนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมากพระองค์เป็นผู้อนุเคราะห์ประกอบด้วยพระกรุณาทรงสแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลเพื่อสปปรรพสัตว์ ทรงรำเดรธีที่มาเฝ้าทั้งหมดให้ดำรงอยู่ในศีห้าเมื่อเป็นเช่นนี้ศาสนาจึงหมดความอากูลว่างจากพวกเดรัีและงดงามด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายผู้ได้เวสีผู้คงที่พระมหามุนีพระองค์นั้นทรงมีพระวรกายสูงห้าสบดอกมีพระชวีวันคล้ายทองคำที่ล้ำค่ามีพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการขณะนั้น สัตว์ทั้งหลายมีอายุประมาณหนึ่งแสปีพระชินสีพระองค์นั้นก็ดำรงพระชนมายุอยู่ประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมูโชนข้ามพ้นได้เป็นจํานวนมากครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์ชาวกรุงหงสาวดีเรียนจบไตรเพศได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เลิกกวาดสัตว์โลกทั้งปวงแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนาครั้งนั้นพระธีรเจ้าพระองค์นั้น ทรงแตงสาวกู้แตกช้าในปฏิสัมพิธาฉลาดในอัตธรรมนิรุติและปฏิพาณไว้ในตำแหน่งเอตะทะคะข้าพเจ้าได้ฟังพระตํารมดันั้นแล้วก็พลอยยินดีจึงได้ทูลนิ ม, มนต์พระชินเจ้าผู้ประเสริฐพร้อมทั้งสาวกให้เสวยและชันตลอดเจ็ดวันข้าพเจ้าทูลนิ ม, มนต์พระพุทธเจ้าผู้ดังสาครพร้อมทั้งสาวกให้ครองผ้าชุดใหม่ แล้วหมอบลงแท้พระบาทปราถนาตำแหน่งนั้นลำดับนั้นพระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลผู้เลิศในโลกได้ตรัสว่าจงดูพรามผู้ประเสริฐซึ่งหมอบอยู่แทบเท้าเรานี้มีรัศมีเหมือนกลีบบัวพรามนี้ปราถนาตำแหน่งประเสริฐสุดของภิกษุเพราะการบริจาคทานด้วยศรัตนั้นและเพราะการฟังพระสัตธรรมของพระพุทธเจ้า พรามนี้จะเป็นผู้มีความสุขในทุกภพเวียน่หวตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่จกได้ตำแหน่งนั้นตามใจปรารถนาในอนาคตการในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโครทรงสมภพในราชสกุลโอก า, ก า, การาชจากอุบัติขึ้นในโลกพรามนี้จะมีนามว่าปธิกะเป็นธรรมทายาต เป็นโอรสที่ทำเนรมิตเป็นสาวกของพระาศาสดาพระองค์นั้นเขาพระเจ้าได้ฟังพุทธปยากร น, นั้นแล้วเป็นผู้เบิกบานมีจิตประกอบด้วยเมตตาบํารงพระชินเจ้าจนตลอดชีวิตในครั้งนั้นเพราะเขาพระเจ้าเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาด้วยวิปากกรรมนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นเขาพระเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเดวดืง ข้าพเจ้าเดียกครงเทวสมบัติตลอดสามร้อยชาติได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิห้าร้อยชาติและได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพยบูรนับชาติไม่ท่วนเพราะอนุภาพแห่งกรรมนั้นข้าพเจ้าจึงเป็นผู้มีความสุขในทุกภพข้าพเจ้าเวียนไหวตายเกิดอยู่ในสองภพคือหนึ่งเทวดาสองมนุษย์คติอื่นข้าพเจ้าไม่รู้จักเลยนี้เป็นผลแห่งกรรมที่สั่งสมไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าเกิดเฉพาะในสองตระกูลคือหนึ่งตระกูลกษัตริย์สองตระกูลพราหมณ์จะไม่เกิดในตระกูลที่ต่ำนี้เป็นผลแห่งกรรมที่สั่งสมไว้ดีแล้วเมื่อถึงพบสุดท้ายข้าพเจ้าได้เป็นเผ่าพันธุ์ของพราหมณ์เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลที่มีทรัพย์มากในกรุงสาวัตถีมารดาของข้าพเจ้าชื่อจันทวดีบิดาของข้าพเจ้าชื่ออาจัญายณนะ ในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําบิดาของข้าพเจ้าเพื่อความบริสุทธิ์ทุกอย่างข้าพเจ้าเลื่อมสายในพระสุคต์ได้บวชเป็นบรรพชิตพระโมคคัลลานะเป็นพระอาจารย์พระสารีบุตรเป็นพระอุปชาในขณะกําลังปลงผมข้าพเจ้าก็ตัดทิฐิพร้อมทั้งรากได้และขณะนุ่งผ้ากาสาวะก็ได้บรรลุอรหัตผลข้าพเจ้ามีปัญญาแตกฉานในอัต ธรรมนิรุติและปฏิพานเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้เลิศในโลกจึงทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ในตําแหน่งเอตตะทัคะข้าพเจ้าถูกท่านพระอุปติสะไต่ถามในปฏิสัมพิทาก็แก้ได้ไม่ขัดข้องเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงเป็นผู้เลิศในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าข้เผาได้แล้ว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 คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิน ญ, ญาหกข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระมหาโกธิกะเทระได้ภาสุคถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้มหาโกธิกะเทราประธานที่เจ็ดจบแปด โอรุเวลกัสปะเทราประทานประวัติในดิจ่าของพระโอรุเวลกัสปะเทระพระอุรุเวลกัสปะเท ร, ร, ะ, รเ ะ, ะเรมื่อจะประกาศประวัติในดิจ่าของตนจึงกล่าวว่าพระธินเจ้าพระนามว่าปทุมมตระทรงรู้แจ้งโลกทั้งปวงเป็นพระมุนีมีพระจักสุเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไป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 ศาสนาจึงหมดความอากรูลว่างจากพวกเดรัจีและงดงามด้วยพระอาหารหันต์ทั้งหลายผู้ได้เวสีผู้คงที่พระมหาหมุนีพระองค์นั้นทรงมีพระวรากายสูงห้าสิบปดศอกมีพระชวีวันคล้ายทองคำที่ล้าค่ามีพระลักษณะอันประเสริฐสาสบสองประการขณะนั้นสัตว์ทั้งหลายมีอายุประมาณหนึ่งแสปีพระชินสีพระองค์นั้น ดํารงพระชนมายุอยู่ประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจํานวนมากครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์ชาวกรุงหงษ์สวัสดีประชาชนสมมติว่าเป็นผู้ประเสริฐเรียกเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงโลกให้สว่างสวยัยและได้ฟังพระธรรมเทศนาครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ฟังพระผู้มีพระภาคทรงแต่งตั้งสาวกของพระองค์ ในตำแหน่งเอตทัคคะในที่ประชุมใหญ่จึงพรอยยินดีได้ทูลนิ ม, มนต์พระมหาชินเจ้าพร้อมกับสาวกจำนวนมากแล้วได้ถวายทานพร้อมด้วยพรามอีกพันคนครั้นถวายมหาทานแล้วข้าพเจ้าได้ถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรเป็นผู้เบิกบานได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้กล้า ด้วยความเชื่อในพระองค์และด้วยอธิการัคุณขอให้ข้าพระองค์ผู้เกิดในภพนั้นๆั้นจงมีบริวารมากเถิดครั้งนั้นพระาศาสดาผู้มีพระสุรเสียงก้องเหมือนเสียงโคจสารคำรามมีพระสำเนียงไพเราะเหมือนเสียงนกกาละเวกได้ตรัสกับบริษัทว่าจงดูพรามนี้ผู้มีผิวพันดุจทองคาแขนใหญ่ปากและดวงตาเหมือนดอกปะทุม มีโลมาชาชูชันและมีใจฝูขึ้นร่าเริงมีศรัทธาในคุณของเราเขาปรารถนาตำแหน่งภิกษุผู้มีเสียงเหมือนราชสีในอนาคตการเขาจะได้ตำแหน่งนี้สมความปรารถนาเนื่อกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระศาสดา พ, พระนามว่าโคดมตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอกากา ก, าการาชจากอุบัติขึ้นในโลก พรามนี้จะมีนามว่ากัสปะตามโคตเป็นธรรมทายาตเป็นโอรสที่ธรรมเนรมิตร จ, จกเป็นสาวกของพระาศาสดาพระองค์นั้นในกลับที่เกสองนับจากกลับนี้ไปได้มีพระผู้เป็นผู้นําชั้นเลิศของโลกพระนามว่าพุษะทรงเป็นาศาสดาผู้ยอดเยี่ยมหาผู้เปรียบนี้ได้ไม่มีใครเสมอเหมือนพระาศาสดาพระนามว่าผุษะพระองค์นั้นแล ทรงกำจัดความมืดทั้งปวงถางรกชัดใหญ่ทรงบรรดาลฝนคืออมะตะธรรมให้ตกลงให้มนุษย์และทวยเทพอิ่มน้าครั้งนั้นพระพเจ้าสามคนพี่น้องได้เป็นราชอมาตย์ในกรุงพาราณสีล้วนแต่เป็นที่ไว้วางพระทัยของพระราชารูปร่างองค์อาแกล้ากล้าสมบูรณ์ด้วยพระกำลังไม่พ่ายแพ้ในสงครามครั้งนั้น พระเจ้าแผ่นดินผู้ถูกเจ้าเมืองชายแดนก่อกำเริบจึงมีรับสั่งกระผู้ข้าพเจ้าว่าท่านทั้งหลายจงไปชนบทชายแดนปราบปรามขบฏของแผ่นดินให้ราบคาบแล้วกลับมาและทรงพร่นสอนว่าพวกท่านบำรุงแว่นแขวนของเราให้กระเสริมแล้วจงมอกคืนลำดับนั้นข้าพเจ้าได้กราบทูลว่าถ้าพระองค์จะพึงประทานพระผู้ทรงเป็นผู้นำ เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายอุปถากบ้างข้าพระองค์ทั้งหลายก็จะทํำขีดของพระองค์ให้สําเร็จลําดับนั้นเขาพระเจ้าได้รับพระราชทานพรแล้วถูกพระภูมิบาลทรงไปปราบปรามชายแดนที่กําเริบให้วางอาวุธแล้วจึงกลับมายังนครนั้นอีกข้าพเจ้าทูลขอการรับอุปถากพระศาสดาจากพระราชาได้พระศาสดาทรงเป็นผู้นําจัดโลกเป็นพระมุนีผู้ประเสริฐแล้ว ได้บูชาพระองค์จนตลอดชีวิตภาพมีค่ามากอาหารมีรสเลิศเสนาสนะเป็นที่รื่นรมและเพสัช ท, ที่มีประโยชน์พวกข้าพเจ้ามีศีลมีกรุณามีใจประกอบด้วยภาวนาจึงถวายปัจจัยที่พวกข้าพเจ้าให้เกิดขึ้นโดยธรรมแด่พระมุนีพร้อมทั้งพระสงฆ์อุปถัมภ์พระผู้ทรงเป็นผู้นำด้วยจิตเมตตาตลอดเวลา เมื่อพระผู้ทรงเป็นผู้นำผู้เลิศในโลกนั้นปรินิพานแล้วก็ทำการบูชาตามกำลังทุกคนจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงสวยสุขอย่างมากในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าเมื่อเกิดอยู่ในภพเป็นเหมือนนายช่างดอกไม้ได้ดอกไม้ตามแต่จะหามาได้แล้ว จแสดงให้เป็นแบบต่างๆมากมายได้เป็นพระเจ้าวิเทหราชเขาพระเจ้ามีอัติาศัยเป็นมิจฉาทิฐิเพราะถ้อยคำของอาเจละกะคุณตกนรกเพราะไม่เชื่อคำตักเตือนของธิดาของเขาพระเจ้านามว่ารุจาถูกนารทะพรมพร่ำสอนมากมายจึงละทิฏฐิอันชั่วชานั้นได้แล้วบําเพ็ญกุศลกรรมบดสิทธิ์ให้บริบูรณ์โดยพิเศษ และกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ดูดไปยังที่อยู่ของตนเมื่อถึงภพสุดท้ายข้าพเจ้าได้เป็นเผ่าพันธุ์ของพราหมณ์เกิดในตระกูลพราหมณ์มมหาศาสในกรุงพารณสีที่มั่งคั่งข้าพเจ้ากลัวต่อความแก่ความเจ็บและความตายจึงเข้าป่าใหญ่แสวงหาบทคือพระนิพพานได้โบทในสำนักของฉดินครั้งนั้น น้องชายทั้งสองของข้าพเจ้าก็ได้บวชพร้อมกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้สร้างอาสมอาศัยอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาข้าพเจ้ามีชื่อว่ากัสปะตามโคดแต่พระอาสัยอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาจึงได้นามบัญญัติว่าอุรุเวลากัสปะเพราะน้องชายของข้าพเจ้าอยู่อาศัยใกล้แม่น้ำเขาจึงได้นามว่านาทีกัสปะเพราะน้องชายอีกคนหนึ่งของข้าพเจ้า อาศัยอยู่ที่ตำบลขยาเขาจึงประกาศนามว่าขยากัสปะน้องชายคนเล็กมีสิทธ์200คนน้องชายคนกลางมีสิทธ์300คนส่วนข้าพเจ้ามีไม่น้อยกว่า500คนสิทธ์ทุกคนล้วนประพฤติตามข้าพเจ้าครั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้เลิศในโลกเป็นสารถีฝึกนรชนได้เสด็จมาหาข้าพเจ้า ทรงทําปฏิหารต่างๆแก่ข้าพเจ้าและทรงแนะนำํำข้าพเจ้ากับบริวารหนึ่งพันได้อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาได้บรรลุอรหัตพร้อมกับภิกษุเหล่านั้นทุกรูปภิกษุเหล่านั้นและภิกษุเหล่าอื่นจํานวนมากแวดล้อมข้าพเจ้าเป็นบริวารยศและวข้าพเจ้าก็สามารถสั่งสอนได้ลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นฤาษีผู้ประเสริฐก็สั่งสอนข้าพเจ้า พระองค์ทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ในตำแหน่งเอตถคะคือความเป็นผู้มีบริษัทมากโอสักการะที่ได้ทำไว้ในพระพุทธเจ้าได้ก่อให้เกิดผลแก่ข้าพเจ้าแล้วกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าท่านพระอุรุเวลกัสปะเถระได้พาศัลถ์เหล่านี้ด้วยประการชนี้อุรุเวลกัสปะเถราประธานที่8ปดจกเราธะเถราประทานประวัติในดิจติของพระราธะเถระ พระราธะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระชินเจา้าพระนามว่าปทุมุตระทรงรู้แจ้งโลกทั้งปวงเป็นพระมุนีมีพระจักสุเสดอุบัติขึ้นแล้วในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระองค์เป็นผู้ตรัสสอนทรงแสดงทำให้สัตว์รู้ชัดได้ทรงช่วย ส, สรวปัสสาว์ให่ข้ามพ้นทรงฉลาดในเทศนาเป็นพระพุทธเจ้า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 พระมหาหมูนีพระองค์นั้นทรงมีพระวรกายสูงห้าสบแดศอกมีพระชวีวันคล้ายทองคำที่ล้ำค่ามีพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการขณะนั้นสัตว์ทั้งหลายมีอายุประมาณหนึ่งแสปีพระเินสศีพระองค์นั้นก็ดารงพระชนมายุอยู่ประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจานวนมากครั้งนั้นพระพเจ้าเป็นพราหมณ์ชาวกรุงหงษ์สวัดี เรียนจบมนได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐกว่านรชนทรงมีความเพียรมากทรงกล้าๆในบริษัททรงเป็นผู้นําวิเศษทรงกําลังตั้งภิกษุผู้มีปฏิพานไว้ในตําแหน่งเอตถ ะ, ะพระแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนาครั้งนั้นข้าพเจ้าทำสักการะในพระองค์ผู้เป็นผู้นําจัดโลกพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์และวหมอบลงแท้พระบาทด้วยเสียงกล้าว ปราถนาตำแหน่งนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคผู้มีพระรัศมีสร้างออกจากพระวรกายดูดแท่งทองได้ตรัส ก, กับข้าพเจ้าด้วยพระสุรเสียงอันน่ายินดีมีปกตินำมนทิน้งเครเกเลตออกไปว่าจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนเถิดปณิธานความปราถนาของเธอก็จงสำเร็จเถิด จั ก, กระที่เธอทำในเราพร้อมทั้งประสงค์ก็จงมีผลไพยบู์อย่างยิ่งเถิดในกับที่หนึ่งแสนนับจากกับนี้ไปพระศ า, าสดาพระนามว่าโคดมตามพระโครทรงสมพบในราชสกุลโอก า, กาก ร, ราชจากอุบัติขึ้นในโลกพรามนี้จะมีนามว่าราทะเป็นธรรมทายาตเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรเป็นสาวกของพระศ า, าสดาพระองค์นั้น พระผู้ทรงเป็นผู้นำพระองค์นั้นเป็นพระราชโอรสของพเจ้าสักระยะทรงองค์อาจกว่านรชนทรงยินดีในคุณที่เป็นเหตุของท่านแล้วจักทรงแต่งตั้งท่านว่าเป็นผู้เลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีปฏิภาณข้าพเจ้าได้ฟังพุทธพยากรณ์นั้นแล้วเป็นผู้เบิกบานมีจิตประกอบด้วยเมตตาบำรุงพระชินเจ้าจตลอดชีวิตในครั้งนั้น เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงข้าพเจ้าได้ครองถือวัสมบัติตลอดสามร้อชาติได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิห้าร้อยชาติและได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอย่างไพ่โบ์นับชาติไม่ท้วนเพราะอนุภาพแห่งกรรมนั้นข้าพเจ้าจึงเป็นผู้มีความสุขในทุกภพ เมื่อถึงพบสุดท้ายเขาพเจ้าเกิดในตระกูลที่ยากจนขาดเครื่องนุ่งห่มและอาหารในกรงราชเครื่ที่อุดมสมบูรณ์ได้ถวายพิษาทั พ, พีหนึ่งแก่พระสารีบุตรผู้คงที่ในเวลาที่เขาพเจ้าแก่เท่าได้อาศัยอารามนั้นอยู่ครั้งนั้นไม่มีภิกษุรูปใดบวชให้เขาพเจ้าผู้แก่เท่าผู้มีกําลังและเรี่ยวแรงถดถอยเพราะเหตุนั้นเขาพเจ้าจึงเป็นคนตกยาก มีผิวพัธร์ไม่ผ่องใสและเศร้าโศกพระมหาโุนีผู้ประกอบดพวยพระมหากรุณาท่ดพระเนรเห็นเข้าจึงตรัสถามข้าพเจ้าว่าลูกชไหนจึงเศร้าโศกจงบอกถึงความเสียแทงที่เกิดในใจของเธอข้าพเจ้าได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรข้าพระองค์ไม่ได้บูชาในศาสนาของพระองค์ซึ่งพระองค์ตรัสดีแล้วเพราะความเศร้าโศกนั้น ข้าพระองค์จึงเป็นคนตกยากข้าแต่พระผู้ทรงเป็นผู้นำขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์ด้วยเถิดครั้งนั้นพระมุคิผู้ประเสริฐได้รับสั่งให้เรียกภิกสุมาประชุมพร้อมแล้วตรัสถามว่าผู้ที่นึกถึงสักกระยิ่งใหญ่ของพรามนี้ได้มีอยู่หรือจงบอกมาครั้งนั้นพระสารีบุตรได้กกราบทูลว่า ข้าพระองค์ระลึกถึงสักการะของเขาได้อยู่พรามนี้ได้ถวายพิษาท่พีหนึ่งแก่ข้าพระองค์ผู้กำลังเที่ยวบินธบาตพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสาธุสา ธ, สาธุสารีบุตรเธอเป็นคนกระตันอยู่เธอจงให้พรามเท่านี้บวชเถิดเขาจะเป็นปูชนียบุคคลลำดับนั้นเขาพระเจ้าได้รับการบรรพชาอุปสมบทด้วยกา ร, รมวาจา และไม่นานนะกก็ได้เป็นลุธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะเพราะข้าพเจ้าเป็นผู้เพลิดเพลินฟังพุทธดํารัตโดยความเคารพฉะนั้นพระชินเจ้าจึงทรงตั้งข้าพเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายปฏิภาณกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระราธะเถระได้พาสิทธิ์คถาเหล่านี้ด้วยประการชนิราธะเถราประทานที่9ก้าจบสิทธิ์มโมกราชาเถราประานประวัติในดิาติของพระโมฆราชเถระ พระโมคคราชเถระเมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาตของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมมตระทรงรู้แจ้งโลกทรงบำเพ็ญประโยชน์เกือ้อกูลแก่สปปรรพสัตว์เป็นพระมุนีมีพระจักสุเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระองค์เป็นผู้ตรัสสอนทรงแสดงทำให้สักรู้ชัดได้ทรงช่วยสปปรรพสัตว์ให้ข้ามพ้น ทรงฉลาดในเทศนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงช่วยหมูโชนข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมากพระองค์เป็นผู้อนุเคราะห์ประกอบด้วยพระกรุณาทรงสแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลเพื่อสรรพสัตว์ทรงทาเดรัจฉีที่เมื่อเฝ้าทั้งหมดให้ดำรงอยู่ในศีห้าเมื่อเป็นเช่นนี้าศาสนาจึงหมดความอากลว่างจากพวกเดรัจฉีและงดงามด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายผู้ได้วสีผู้คงที่ พระมหาโมนีพระองค์นั้นทรงมีพระวรก า, ายสูงห้าสดศอกมีพระชวีวันคล้ายทองคําที่ล้ําค่ามีพระลักษณะอันประเสริฐ32สองประการขณะนั้นสัตว์ทั้งหลายมีอายุประมาณหนึ่งแสปีพระชินเจ้าพระองค์นั้นพ่อดารงพระชนมายุอยู่ประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจํานวนมาก ครั้งนั้นข้าพเจ้ารับจ้างทํางานของบุคคลอื่นในตระกูลหนึ่งในครุงหงสาวดีข้าพเจ้าไม่มีทรัพย์สินอะไรที่เป็นของตนเลยข้าพเจ้าอาศัยอยู่ที่ศาลาพักผ่อนที่เข่าปรับพื้นไว้แล้วได้ก่อไฟขึ้นที่ศาลาพื้นศิลาจึงดําเพราะถูกไฟไหม้ครั้งนั้นพระโลกนาผู้ประกาศสัจจะสี่ได้ตรสัสสรรเสริญสาวกผู้ทรงจีวรเศร้ามองในที่ประชุมชน ข้าพเจ้าพอใจในคุณนั้นของพระองค์จึงได้โปรนิบัติพระตาคตปราถนาตำแหน่งที่สูงสุดคือความเป็นผู้เลิกกว่าภิกษุผู้ทรงจีวรเศ้ามองครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระได้ตรัส ก, กับสาวกทั้งหลายว่าจงดูบุรุษนี้ผู้มีผ้าห่มเศ้ามองร่างกายผอมบางแต่สีหน้าผ่องใสเพราะปิติประกอบด้วยทัพย์คือศรัทธา มีลมชาติชูชันมีใจร่าเริงไม่หวั่นไหวเหมือนหมู่ไม้สาระที่หนานแน่นบุรุษนี้ผู้มีความพอใจในคุณของภิกษุชื่อสัจจะเสนะผู้ทรงจีวรเศ้าหมองนั้นจึงปรารถนาตำแหน่งนั้นข้าพเจ้าได้ฟังพุทธพยากรณ์ น, นั้นแล้วเป็นผู้เบิกบานศบศรีรษะลงถวายพระชินเจ้าประทำแต่กรรมที่ดีงามในศาสนาพระชินเจ้าจนตลอดชีวิต ด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยกรรมคือการใช้ไฟหลนที่พื้นศาลาพักผ่อนข้าพเจ้าจึงถูกทุกขเวทนาเบียดเบียนหมกไหม้ในนรกนับพันปีด้วยวิบากกรรมที่ยังเหลืออยู่นั้นข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์จึงมีรอยตําหนิติดตัวมาตามลําดับตลอดห้าร้อยชาติ เพราะอนุภาพแห่งกรรมนั้นเขาพระเจ้าจึงเต็มไปด้วยโรคเรื้อนสวยมหันตทุกข์ตลอดห้า้อยชาติเหมือนกันในพัทระกับนี้เขาพระเจ้ามีจิตเลื่อมใสจึงได้นิ ม, มนต์พระอุปริทะผู้มียศให้ชั้นเบ็นาบาบจนอิ่มนำ้ำด้วยผลกรรมอันวิเศษนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นเขาพระเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง เมื่อถึงพบสุดท้ายเขาพระเจ้าได้เกิดในตระกูลกษัตริย์เพี่พร้อมไปด้วยมหาสมบัติเมื่อพระชนกสวรรคตไปเขาพระเจ้าถูกโรคเรื้อนรบกวนในเวลากลางคืนก็ไม่ได้รับความสุขในการนอนเพราะความสุขในรัชสมบัติกลายเป็นโมฆะไปฉะนั้นเขาพเจ้าจึงได้ชื่อว่าโมฆราชเขาพเจ้าเห็นทั่วของร่างกายจึงบวชเป็นบนรรพชิต มอบตัวเป็นศิษย์ของพราหมณ์ผู้เลิศชื่อภาวรีเขาไปแจาเข้าไปเฝ้าพระผู้ทรงเป็นผู้นำแห่งนรชนพร้อมด้วยบริวารจำนวนมากได้ทูลถามปัญหาที่ละเอียดลึกซึ้งกับพระองค์ผู้มีวาทะประเสรศิฐผู้มีวาทะเป็นประโยชน์ว่าโลกนี้โลกหน้าพรหมโลกและเทวโลกข้าพระองค์ไม่ทราบถึงความเห็นของพระองค์พระนามว่าโคดมผู้มีประยศ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีปัญหามาถึงพระองค์ผู้ทรงเห็นล่วงสามั ญ, ญชนว่าข้าพระองค์พิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงจะมองไม่เห็นโมคราชเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าถอนความเห็นว่าเป็นอัตตาเสียเมื่อเป็นเช่นนี้จะพึงข้ามพ้นมัจจุราชได้เธอเมื่อพิจารณาเห็นโลกด้วยอุบายอย่างนี้ มัจจุราช จ, จึงจะมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเยียวยาโรคได้ทุกชนิดได้ตรัสกับข้าพเจ้าดังว่ามานี้พร้อมกับเวลาจบคาถาข้าพเจ้าปราศจากผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะได้เป็นภิกษุและเป็นพระอรหันต์ข้าพเจ้าถูกโรคเบียดเบียนถูกเขาพูดบีบคั้นว่าวิหารอย่าได้เสียหายเลยจึงไม่อยู่ในวิหารของสง์ ข้าพเจ้าเก็บผ้ามาจากกองขยะป่าช้าและทางรถทางเกวียนแล้วทําผ้าสังฆาติจากผ้านั้นใช้สอยจีวรที่เศร้าหมองพระผู้ทรงเป็นผู้นําวิเศษเป็นนายแพทย์ใหญ่ทรงพอพระทยัยในขุนข้อนั้นของข้าพเจ้าจึงทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ในตําแหน่งแห่งภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายที่ใช้สอยจีวรเศร้ามองข้าพเจ้าสิ้นบุญและบาปหายจากโรคทุกชนิด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 วิชาสามเข้าไปเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลําดับคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญญาหกเข้าไปเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระโมคคัลทเถระได้ภาสุคถาเหล่านี้ด้วยประการชนี โมคราชเถราประธานที่สิบจบกัจจายนวัคที่ห้าสิบสี่จบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีเนวัคนี้คือหนึ่งมหากัจจายนเถราประธานสองวัคคลิเถราประธานสมหากปาปาัปินเถราประธานสทัพพระมลปุตตะเถราประธานหกุมารกัสปะเถราประธาน 6. พาหิยะเทราประธานเจมหากรติกะเทราประธาน 8. อุรุเวลกัสปะเทราประธาน 9. ราธะเทราประธานส0โมคคราชะเทราประธานในวักนี้บัณฑิตนับคาถาได้ส6 2กคถา